ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกราหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธินี้ให้พากันหัดนั่งขัดสมาเทศคำว่านั่งขาดสมาเทศนี้เป็นแบบอย่างมาจากพระพุทธเจ้าเมื่อวันที่พระองค์จะเดตรัสรู้เป็นพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกนั้น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 การนั่งสมาธิภาวนาคลั่งดีได้นั่งขัดสมาธิเพชรใจของเราต้องเป็นเพชรท่านว่าอย่างนั้นไม่ใช่เป็นพลอยพลอยตามกิเลสไม่เอาเป็นเพชรเพชรก็คือว่าถ้าเหล็กเพชรก็เรียกว่าตัดเหล็กต่างๆได้ ถ้าว่าเพชรเนินจินดามนุษย์สมมุติกันก็เลยว่ามีราคาแพงแต่ยังสู้ใจเพชรพระพุทธเจ้าไม่ได้ใจเพชรพระพุทธเจ้านั้นนั่งขัดสมาธิทางร่างกายเพชรได้มันเจ็บปวดทุกขเวทนาอะไรอะไรทั้งหมดพระองค์สละตายลงไปนั่นเราทุกคนก็ให้พยายาม หัดนั่งสมาธิเพชรแล้วจิตมันจะได้เป็นเพชรบ้างเดี๋ยวนี้มันเป็นแต่พลอยกิเลสลาคะมาก่าพลอยตามกิเลสโทสะมาก่าพลอยตามกิเลสโมหะเข้ามากัพลอยตามแล้วันเราทุกคนทุกวันนี้เรากราบไหว้กิเลสลาคะโทสะโมหะกลัวมัน กักิเลสลาคะกลัวกิเลสโทสะกลกิเ ล, ล, เลทโทสลเลโมหะกลัวมันทําไมกิเลสลาคะโทสะโมหะนี่พระพุทธเจา้าละทิ้งตัดทิ้งแล้วเรายังจะมาเก็บไหวทาไมถือไหวทาไมยึดไหวทาไมหัดนั่งสมาธิภาวนาทางรูปร่างกายให้ได้ไม่ได้มันจะตายก็ยอมตายลงไป มันก็ได้เท่านั้นเองมันได้ถึงตายกิเลสมันโกหกพกลมอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลากิเลสกิเลสนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่มีใครจะรู้เท่าทันดีเท่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อเรานั่งขัดสมาธิภาวนาแบบนั่งคัดสมาธิเพชรได้แล้ว ก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตจิตใจเป็นลูกศิษย์สาวกพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าจะตัดกิเลสละกิเลสข่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกตามเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าสู่นารยภาน พระพุทธเจ้าเข้าโซ่นหรือผ่านประตูใดข้าพระองค์ก็จะเข้าประตูนั้นแล้วจะไม่ให้มันคาประตูนิพพานนั้นโบราณเพิ่นแต่งเป็นปริศนาไว้ว่าเส้นผมเส้นหนึ่งนี่มาผ่ามาทําเป็นเจ็ดเสียงแย่เข้าประตูนิพพานก็ยังไม่หลวมว่าอย่างนั้น คือประตูนิพพานนั้นเรียกว่าละเอียดที่สุดขนก็ผอมขนก็ว่าละเอียดแล้วพาอีกเจ็ดเสียงแย่เข้าไปก็ยังเข้าไม่ได้อันนี้มันเป็นปริศนาคือว่ามันเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ทำตามาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์สอนว่าให้นั่งขัดสมาธิภาวนาแบบเพชรเราก็แก้ไปว่าไม่สบายปวดนั้นปวดนี่มันไม่สบายมันถึงตายหรือทำไมไม่ทวนกระแสจใจกิเลสของตัวเองถ้ามันจะตายเวลาเรานั่งขัดสมาธิเพชรก็ให้มันตายลงไปสิอะไรมันตายอะไรมันอย่าง ตายในที่นี้ทรารูปร่างกายมันถึงคราวมันจะตายแล้วนั่งอยู่ดีๆมันก็ตายนอนอยู่ดีๆก็ตายมีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของเต็มบ้านเต็มเรือนอยู่มันก็ตายไม่ใช่ว่ามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างโน้นอย่างนี้แล้วมันจึงตายนอนหลับดีๆมันก็ตาย ละก็ตายได้ยาิโยมก็ตายได้ดีนอนหลับลักตายก็มีทีนี้เมื่อมันตายเร็วนายแพทย์เขาก็มาพูดว่าอันนี้มันหัวใจล่มละลาย <c oughs> หรือว่าหัวใจวาย <c oughs> ประสาทเส้นโลหิตในสมองแตกมันก็ว่าไป คือว่าเมื่อมันถึงเวลามันจะตายมันต้องตายนะเราให้เข้าใจให้ดี <c oughs> เราไม่ต้องกลัวตายถ้ามันยังไม่ถึงเวลาตายไปในที่ธุระกันดานพุ่นพุ่นเข้าไปในดอยอ่างขางมันก็ยังไม่ตายกลับมาทำปองได้อยู่ ถาถึงเวลามันจะตายหน้าที่จะตายเพราะว่าทางขึ้นเขาขึ้นดอยอังคังนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทบศอกขึ้นไปทบศอกขึ้นไปเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็จะมีขี้ตมขี้โครนเพราะว่าทางมันยังไม่แล้วรถธรรมดาไปก็ติดเว้นเสียแต่รถที่รถจิบรถแลนด์ รถที่แข็งแรงที่สุดจึงไปได้ทำไมจึงกลับมาได้ทำไมมันไม่ไปตายที่อดอยอังขางนี่คือว่ามันยังไม่ถึงเวลาถ้ามันถึงเวลาแล้วไปถึงที่ทบศอกมันก็ไม่ทบมันก็ตายละ่ะตกเหวตายตายจริงๆด้วยไม่ใจพูดเล่น เรานั่งสมาธิภาวนาหลับตานึภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจมันจะตายมันจะตายก็เพมันตายไปสิกิเลสมันโกหกพกลมอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่ดูพระพุทธลูกทุกองที่ท่านนั่งอยู่ต่อหน้าเราท่านทั้งหลาย ทำไมท่านไม่แตกไม่ตายรอเสร็จทมเสร็จเป็นรูปองค์พระพุทธรูปแล้วท่านนั่งภาวนาลูกเดียวทำไมท่านไม่บ่นแม้แต่คำเดียวว่าข้าพระเจ้ากลัวตายข้าพระเจ้ากลัวเจ็บพระพุทธรูปท่านว่าที่ไหนท่านเฉยได้ อันนั้นการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบั ต, บติบูชาในใจของเราทุกคนตั้งใจขึ้นมากิเลสลาคะพระพุทธเจ้าละได้เราก็ละได้ที่เราเป็นสาวกของพระพุทธเจา้าละกิเลสลาคะไม่ได้มันจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสลาคะมันมีอยู่ในใจ คันให้บวชในศาสนาสามเดือนสี่เดือนก็อยากศึกหาลาเพศเวลาอยู่ในคารวาสญาติโยมเก้าสิบปีก็อยได้แปดสิบปีก็อยู่ได้เจ็ดสิบปีก็อยู่ได้ไม่เห็นว่าลาศึกมาบวชสักคนตายแล้วเขาก็เอาไปเผาไฟทิ้ง ไม่เห็นหรือตาเราไปไหว้ที่ไหนทุกคนที่ตายแล้วมันเหม็นเน่าเขาไม่ให้อยู่บ้านอยู่วัดเขาไปเผาไฟทิ้งบางคนบางองค์เอาไว้บางสกุลกินกันเท่านั้นแหละอันนี้ก็คือว่าปัญญามันปัญญาน้อยบารามีน้อย ใจในมันมีแต่จะท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่ตลอดเวลาถ้ามันจะตายมันก็ตายอยู่เต็นท้องแม่นั่นละสิไม่ได้หายใจทำไมมันไม่ตายเกิดมาอย่างนี้แล้วมันไม่ตายภาวนาเข้าพุทโธในใจเข้ามารณะนะกรรมฐ า, านนึกถึงความตายเตือนใจของตัวเองให้รู้ เมใครอยู่ในโลกนี่คนพันปีหมื่นปีมีหรือพระพุทธเธจ้าก็ได้แค่แปดิปปีบริบูรณ์คนทั่วไปใครจะได้ไม่มีใครขนาดได้ก็ร้อยปีกว่ากว่าก็เอาไปอวดคนนั้นอวดคนนี้อวดไปทึ่ไหนก็ตายนั่นแหละยิ่ไปไหนจิตหลอกลวงจิตโมหะอวิชชาตันหา จิตไม่ละไม่ถอนไม่ปล่อยไม่วางจิตยึดมัน่นถือมัน่นในตัวในตนในชาติในตระกูลในเราในของของเราอะไรมันเป็นของเราในตัวเหล่านี้เกษาผมเป็นผมของเราหรือถ้าผมของเราล้วบอกไม่ให้มันงอกขาวได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้ค่าก็ยอมเอาให้มันดำคืนเหมือนเด็กมันก็ได้ไปชั่วไม่กี่วันเพราะข้างในมันดำมันมันขาวแล้วคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้แหละถามมันทุกอย่างดูสิมันเป็นของเราหรือมันเป็นของมันคงถาวรยั่งยืนอยู่ชั่วฟ้าดินสลายหรือ ร่างกายกองกระดูกอันนี้ทำไม่มันมาเยอะมากมายกิเลสความละเชื่อกรดกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่ปล่อยไม่วางไม่เลิกไม่ละตัดให้มันเด็ดขาดลงไปตัดกิเลสก็เหมือนเขาตัดต้นไม้ต้นไม้น่มันธรรมดามันยืนต้นอยู่เวลาเขาตัดเอาเื้อยตัดขวานตัด เมื่อมันขาดมันก็ล้มลงกีิแรแลดความกรอดรอบลองนี่ก็เหมือนกันถ้าเราตั้งใจภาวนาพุทธโธให้ดีตั้งใจให้มั่นคงทำอะไรให้มีหลักมีสัจจะอธิษฐานในใจของตัวเองเราทุกคนได้มาบรรพชาอุปสมบทในทางพุทธศาสนาแล้ว ได้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเป็นธงชัยพระอระหันต์ไม่ว่าผ้าขาวผ้าดำแหละมันสำคัญอยู่ที่หัวใจใจนี่สำคัญคนเราทุกคนนี่พันว่าใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วเลยดวงจิตดวงใจทางนั้นถ้าใจมันจะภาวนามันจะมีฤือ ด, ดูร้อนและดูหนาวที่ไหน พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าและออกลมเข้าไปก็ภาวนาพุทโธลมออกมาก็ภาวนาตายให้มันได้อย่าไปโลเลหลงไหลในการกินการนอนสนุกเฮฮาภาวนาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ยังไง มันตายทุกวันตายทุกคืนตายทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนไปทุกเวลาโดคนที่เกิดมาในตระกูลหนึ่งหนึ่งโดเฉพาะเราเกิดมาจากใครเกิดมาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเก่าบิดามารดาผู้บังเกิดเก่าท่านไปไหนท่านตายไปแล้ว บิดามันดามีพ่อแม่ญาติกาวงษาไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนเขาตายไปแล้วตายแล้วเอาไปไหว้ที่ไหนเมื่อยังอยู่ทำไมมันเต้นแรงเต้นกามีที่บ้านมีที่ดินเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอแย่งกันฆ่าฟันลันแทงกันทำไมเวลาตายไม่แบกแผ่นดินไปล่ะ ไม่หาบเอาแฟนดินไปหนุน巴ะโลกโลกหน้าทำไมไม่หาบบ้านเรือนสัตภาหะไปทำไมทิ้งไว้ให้มันลกอยู่ในโลกนี้สมบัติกิเลสของแกแต่าตายก็เอาไปสิทำไมทิ้งไว้ในโลกนี้ร่างกายก็เอาไปไม่ได้ ทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของที่จิตใจมันเป็นห่วงอะไรอยู่เขาเอาไปได้หรือถ้าคนเก่าเขาตายเอาไปหมดแล้วเราจะได้ใช่อะไรทำไมเราเกิดมาจึงมีอยู่ก็เพราะว่าโลกนี้มันเป็นสมบัติกลางไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเป็นของกลางอย่างนั้นเละ ใครยังมีชีวิตโยก็หากินไปทุกย่าปากหมองก็หากินไปตามเรื่องผลที่สดกระดูกสามร้อยท่อนที่ตัวเองแบกหามโยตั้งเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีก็ทิ้งไว้ในโลกนี้อีนนี้เมื่อ มันแก่ชราแล้วก็ไม่ชอบไม่พอใจบ่อยากไม่ต้องการความแก่ชราก็ไม่ต้องการความแก่ชราไม่ต้องการความตายก็อย่ามาหลงมายึดมาถือสิทำมายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดที่ดินน้ําเหล่านี่มันได้ประโยชน์อะไร เลิกลาออกไปให้หมดสิน้นพุทโธพุทธะผู้รู้ผู้รู้ก็คือว่าต้องโลภทุกอย่างสิิเลตราคะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างใดมันสร้างตัวสร้างตนสร้างสัตว์สร้างบุคคลอยู่ในโลกนี้ใจของเราผู้ภาวนาคมันข้ามพ้นไปอารมณ์เหล่านี้อย่าให้มีในใจ กิเลสโทสะมันสร้างพบสร้างชาติให้คนเป็นทุกข์เป็นร้อนสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นร้อนเราก็ให้มันข้ามมันไปได้เมื่อข้ามไปได้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่มีเล็ดมีเดชประการใดกิเลสความโกรธท่านเปรียบเหมือนดังเสือธรรมดาเสือสิงโตหรือสัตว์ดูาย ใครไปใกล้มันก็กัดเอาตายถือว่าโทสะแต่ว่าเสือตัวนั้นละ่ะถอนฟันให้มันหมดไปถอดเล็บให้มันหมดไปเสือตัวนั้นก็ไม่มีลิมีเดดอะไรก็จะมีแต่เสียงโกกๆฟันบ่ยมีเขี้ยวบวมืิ่กัดกินอะไรก็ไม่ได้ เล็บที่คมเมื่อยังหนุ่มน้อยเล็บไม่มีเสือก็ไม่ดุตัวมันก็ย่อมรู้สึกตัวว่าเราไม่มีเล็บแล้วไม่มีเขี้ยวแล้วไปกัดตัวไหนเขาก็จะกัดตัวตายเท่านั้นเองความกรอดเหมือนเสือดุร้ายให้ภาันภาวนาละกิเลสความโกรธ ถ, ถอนฝัน ถ อ, อนฟันตัวเองมันหมดความโกรธไม่ต้องให้มีความโลภความอยากได้อะไรทั้งหมดบอกหัวใจของตัวเองมึงจะเอาไปเผาหัวมึงหรื อ, อเงินกระดาษเขาพิมพ์เลขหนึ่งเลขศูนย์ใส่กว่าชิปบาทพิมพ์เลขสองใส่ศูนย์กว่ายี่สิบบาทเลขหนึ่งใส่สองศูนย์กว่าร้อยบาท เรียกห้าใสสองศูนย์ก็ว่าห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทอะไรกระดาษเช็ดตูดก็ไม่สะอาดอย่าไปห่วงอะไรทั้งนั้นพุทธโทรพระพุท ธ, เ, ธเจ้าท่านห่วงใจท่านรักษาจิตใจของท่านให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่วันไหวไปตามอำนาจกิเลสความโกรธ ไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสความโลภมาทับถมใจพระพุทธเจ้าท่านไม่ปล่อยให้ความลุ่มหลงมาปิดบังหัวใจท่านท่านพิจารณาธรรมกรรมมาฐานทั้งในองค์ในตัวของท่านทั้งภายนอกบุคคลอื่นสิ่งอื่นภายนอกท่านก็รู้แจ้งรู้จริงว่ามันเกิดขึ้นมาได้มันก็ดับ ได้ขึ้นเชื่อว่าสังขารทางหลายมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอยอยางนี้ตั้งกลับตั้งกันมันก็วนโยในอาการอันเก่านี่หละไม่มีอะไรดีวิเศษเท่าละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปผู้ใดละกิเลสความโกรธให้หมดไปได้ นั่นแหละผู้วิเศษถ้าใครยังละกิเลสความโกรธไม่ได้จะถือว่าเราเป็นผู้วิเศษหรือว่ายกย่องครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้ว่าผู้วิเศษยกไปเถิดมันจะตายให้เห็นในชาตินี้ตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้หละเอาอะไรไปไม่ได้ ตั้งใจภาวนาพิจารณาให้มันรู้เข้าใจในตัวในใจของตัวเองพระพุทธเจ้าพระองค์รู้เรียกว่าตัดสลุตัดขาดเรามันตัดไม่ขาดลูกของกูหลานของกูผัวของกูเมียของกูตัดไม่ขาดตันไม่ขาดก็ภาวนาอย่าให้ขาดระยะสิ ฟุตทอฟุตทออยู่ในใจเอาให้ใจมันมั่นคงลงไปปักหลักสู้ปักหลักสู้อย่าไปถอยกิเลสอันใดมันเกิดขึ้นเป็นเพราะไม่ภาวนานั่งภาวนาเดินจมกลมอย่าไปมัวเห็นแก่เน็ดเหนื่อยเมื่อยหิว ความเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมันบังเกิดเมฆขึ้นก็เกิดขึ้นที่รูปร่างกายต่างหากใจมันจะไปเมื่อยไปหิวอะไรถ้าใจภาวนาแล้วมันไม่มีเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิ ว, วตัวกูไม่มีของกูไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีตาหูจม ok ูกเล่นกายใจของเราที่ไหนของโลกเขาทั้งนั้น เจตยาได้มาลุ่มหลงมัวเมาภาวนาละกิเลสตัดกิเลสในใจไม่ขาดเอาให้มันเด็ดขาดลงไปภาวนากิเลสไม่ตายให้เราตายเสียดีกว่าอยู่ไปทำไมโซ่กิเลสราคะโทสะในใจของตัวไม่ได้ตายเสีย อย่ามาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปทําไมใจมันถึงท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายทางรูปลังกาท่านไม่กลัวท่านฆ่ากิเลสราคตายไปก่อนฆ่ากิเลสโทสะโมหะตายไปก่อน ทีนี้เมื่อขากิเลสราคาโทสะโมหกิเลสพันห้าตันหารอยแปดตายหมดแล้วปัญหาไม่มีเลยความทุกข์ในกายก็ไม่มีความทุกข์ในใจก็ไม่มีทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเจ็ตท่านไม่ยึดถือไม่มีอุปทานในรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคล ใจของท่านไม่มีโลกนี้โลกน่ะไม่เอาอะไรมาแบกมาหามแล้วท่านปล่อยวางได้แล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าอันโลกพระพุทธเจ้าที่เราไหว้บูชาอันนี้เป็นปฏิมากรเป็นที่ให้เราทุกคนรละลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าจริงๆ ว่าองพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นมนุษย์แต่ว่าจิตท่านตัดบวงหวงอะไรกิเลสตัณหาได้กิเลสอย่างโลกโลกเราลุ่มหลงมัวเมาพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อท่านยังไม่ตัดสะรูท่านก็มีความลุ่มหลงเหมือนคนเรานั่นเองแต่ว่าพระองค์ตั้งความเพียรลงไปเสียสลัก ตัดจนตัดขาดตัดจากบ้านเรือนออกมาบรรพชาเป็นนักบวชเป็นฤาษีภาวนาอยู่ในป่าหิมบ า, านในป่าหิมะน้ำแข็งพระองค์ก็โยได้ตั้งหกพันศาหกปีจึงได้พันศาที่เจ็ดจึงได้มาตัดสโูปเป็นพระพุทธเจ้า ตั้งแต่นั้นมาพระองค์ไม่ไม่ยอมให้กิเลสใดๆมาลบกวนใจเรียกว่าพยามาณกิเลสมาอะไรมาเต็มโลกก็พระองค์ไม่กลัวละเพราะพระองค์เป็นใหญ่กว่าโลกกว่ากิเลสพระองค์เหยียบย่ํากิเลสราคะให้ดับไปเหยียบย่ํากิเลสโทสะให้หมดไปเหยียบย่ํากิเลสโมหะให้หมดไป เมื่อพระองค์เหยียบย่าทำลายได้แล้วสอนสาวกทั้งหลายให้พากันลุกขึ้นเหยียบย่ากิเลสในหัวใจของตนให้หมดพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลเพื่็ทำใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะใครจะเอาไปไหนมาไหนช่างหัวมันภาวานาพุทโธอยู่ในใจดีกว่า ในนั้นใจอย่าไปยอ่อท้อตั้งใจภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนยังไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรก็พุทธโธพระพุทธเจ้าเนกไว้ในใจพุทธโธพระพุทธเจ้าเนกถึงเมื่อไรเวลาใดก็เป็นบุญเป็นกุศลพาให้จิตใจของผู้นึกถึงผู้เจริญได้อยู่ในใจนั่นแหละมีกำลังใจ ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์มีความสามารถอาจหานไม่ว่าในแง่ใดทุกอย่างพระองค์เรียกว่าฉเฉลียวฉลาดสามารถอาจหานละกิเลสในจิตในใจของพระองค์ได้แล้วก็ยังตามละตามสอน ให้สาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอาชนะกิเลสของตัวเองอีกได้แต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละให้สาวกทั้งหลายละเองพระองค์เป็นผู้ชี้แนะแนวทางแนะแนวทางว่าต้องภาวนาทำความเพียรละกิเลสให้หมดให้สิ้น อย่าให้จิตใจมันมีแต่ความท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่ตลอดเวลาเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเกิดขึ้นก็โลกร่างกายเขาเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวไปยืดไปถือทำไมใจให้มันว่างจากอารมณ์ใจให้มันสูงกว่าอารมณ์ใจให้มันเลิกได้ละได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันมนุษย์ปุถุชนเขาเลิกไม่ได้ละไม่ได้ นักปฏิบัติภาวนาให้เลิกได้ละได้ตัดออกไปเหมือนกับว่าความตายมันมาตัดชีวิตของคนเราไปอย่างนั้นเมื่อความตายมาตัดชีวิตเราจะห่วงอะไรอะไรอยู่ก็ตามห่วงนั้นยอมหมดไปเพราะความตายมาถึงแล้ว มารนังเมภาวิสติเราต้องตายจะไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารณ์ไปมากมายเมื่อเกิดมาคนเดียวไม่ได้มีสมบัติพระสถานอันใดติดตัวมาเวลาตายร่างกายสังขารนี้มากมายเมื่อเกิดมาคนเดียว ไม่ได้มีสมบัติพระสถา น, ในัใดติดตัวมาเวลาตายร่างกายสังขาร น, นี่ก็ยากเข้าใจว่าเราจะเอาไปได้<ม>ไปไม่ไหวของทิ้งไว้ในโลกมนุษย์นี่แหละเมื่อมันเป็นของทิ้งไว้ในโลกมนุษย์เนี่ยจะไปวันไหวสันสะเตือนทำไมภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก เมื่อผู้ใดภาวานาบทใดข้อใดได้ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่นั่นแหละมันเป็นเครื่องขัดเก้ากิเลดอยากให้จิตใจสงบระงับกบภาวานาอย่าไปถอยความเพียรตั้งใจขึ้นมานจิตใจ ไม่ให้มันมีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจคือใจมันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตนให้ได้ไม่ได้ไม่ยอมนั่งก็ภาวนาพุทโธ ย, ยืนก็ภาวนาพุทโธไปที่ไหนก็ภาวนาพุทโธ จะโยในอิริยาบทไดก็ภาวนาพุโทโธภาวนาเตือนใจของตัวเองในความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อผู้ใดมากำหนดพิจารณาได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจของผู้นั้นก็จะผ่องใสสะอาดตลอดไป มันยังเศร้าหมองขุนมัวด้วยเรื่องอะไรกับพิจารณาด้วยสติปัญญาของตัวเองผูอื่นจะไปช่วยจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นมันช่วยได้แต่ภายนอกเนตเนหน่อยๆเท่านั้นกิเลสในหัวใจของตัวเองนี่ตัวเองสู้ด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ในจิตใจของตนนั่นแหละ หลักที่พระพุทธเจ้าสู้ได้ไชสะนะันนั้นคือพระองค์ทำใจให้สงบตั้งมัน่นไม่ให้หลงไหลไปตามสังขารมานกิเลสมานพระองค์ตั้งต้นอย่างนี้เมื่อตั้งต้นอยู่ในความสงบอะไรที่มันไม่สงบอยู่ในโลกนี้มันก็เห็นแจ้งขึ้นมา ร่างกายมันเป็นของแก่ชราชำรุดสุดโทรมตรงถึงความแตกดับตายมันเป็นอยู่อย่างนี้ก็ตามรู้ตามเห็นในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกข์ขังคือความเป็นทุกข์หลักอนัตตาพ้นที่สุดไม่ใช่ตัวเราทั้งนั้นไปยึดถือทำไมทำไมไม่ปล่อยไม่วาง ที่ทำในภาวานาพุโทโธพุธโทโธอยู่นี่ก็คือว่าให้ใจมันตั้งมัน่นแล้วจะได้กําหนดพิจารณาด้วยสติปัญญาของตนมันเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติเมื่อมันเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติมันก็ละไปเองถอนไปเองวางไปเองเมื่อมันไม่เห็นแจ้งแล้วมันก็สุ่มๆไปอย่างนั้น ในนั้นทกลมหายใจเข้าออกอยาได้ประมาณเจ็ดใจดวงผู้โลอยู่ที่ไหนก็ให้ตั้งความเพียรลงไปที่กงนี้ปัจจตังเวทิตโพวินญูหิวิญญูชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอันว่าอย่างนั้น จากนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันตั้งใจปฏิบัติละถอนกิเลสลาคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปด้วยปัญญาอันชอบก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชะนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวั ต, ว, ตวันตราโย ο. สุขิธีคายุโกภวะอภิวาทานาสิตสเนจังบุต ธ, ธาปัจจายิโนโ ยัตตารโรธรรมมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> <c oughs> วันนี้คณะหนองขายเราได้มาถึงถ้ำผาปล่องในความประสงค์จะฟังธรรมการฟังธรรม ที่ทำภาป่องวันนี้ให้เราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนาด้วยการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาทุกทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเด็กหนุ่มแก่ <c oughs> เพื่อเป็นการฝึกในการปฏิบัติบูบชา ขยับที่นิดหน่อยคือการนั่งสามาธิภาวนานี้ส่วนมากคนเราจะหาเวลายากไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าสำหรับหลวงพ่อองค์นี้นึ่งมีเวลาตลอดเวลาก็คือให้เราท่านทั้งหลายนั่งเวลานี้แหละ นั่งคัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเรียบร้อยแล้วก็หลับตาไม่ต้องดูคนโน้นคนนี้ดูตัวเราเองดูใจเราเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาเมื่อหลับตาแล้วจะนุ่งผ้าถุงผ้าสั้นผ้ายาวอะไรเป็นเรื่องหนึ่ง หน้าที่เรานั่งภาวานานั่งฟังเทศหลับตาสิปิดตานั่งภาวานาเมื่อหลับตาเรื่องต่งตงตงตงตางๆก็สงบไปแล้วก็ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องหัวเลาะพุทธโธพุทธโธในใจพุทธโธเนี่ยคือให้เรานึกในใจเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าเป็นประธาน เป็นต้นตอแห่งพระพุทธศาสนาที่โบราณนาจารย์เจ้าทางหลายท่านให้นึกภาวนาพุทธโธหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าหมายถึงพุทธคุณเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียประการใด ขึ้นชื่อว่าพุทธโธพ ร, ระพุทธเจ้านั้นใครนึกใครเจริญขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างว่าเราท่านทั้งหลายกําลังอยู่ในขั้นเดินทางทัศนจรถ้าเรานึกพุทธโธภาวนาไปภัยอันตรายต่างๆนั้นก็จะแค่คลาดไม่มีภัยอันตรายด้วยอานุภาพคุณพระพุทธเจา้า ด้วยอานุภาพคุณพระธรรมด้วยอนุภาพคุณพระสงฆ์พุทโธคำว่าพุทโธพุทธะถ้าเราย่นย่อเข้ามาให้ใกล้หรือให้อยู่ภายในกายวาจาจิตเราทุกคนก็ได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่ผู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ในขณะนี้แหละ แต่ดวงพุท ธ, ธะของเหานี้เรียกว่าเป็นพุท ธ, ธะลิเริ่มพุท ธ, ธะยังไม่ได้ภาวนาให้เต็มที่จึงให้เราจดจำเอาคำว่าพุท ธ, ธะพุโทโธนี้ไปประพฤติปฏิบัติแม่จะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามเราเกิดมาในโลกมนุษย์สมัยนี้ก็อยู่ในพุท ธ, ธันดรหรืออยู่ในพุทธศาสนา คือศาสนาของพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นหลังจากที่พระองค์ได้ดับขันเข้าสู่นรีผ่านมา 2,526 ปีนี่ก็เรียกว่ายังอยู่ในกึ่งกลางศาสนาพุทธหรือว่าพุทธศาสนานี้พระองค์ได้ประทานไว้ 5,000 ปีนับว่าอยู่ในขอบเขต พุทธศาสนาอยู่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งต้นแต่การทำบุญให้ทานรักษาศีลห้าศีลแปเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนนั่นอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นการปฏิบัติบูชาเราไม่มีอะไรดีเท่ากับ เอากายวาจาใจของเรานี่แหละบูชาคุณพระพุทธเจา้าบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์คือการทําใจของเราให้สงบระงับหรือว่าให้ใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาคําว่าสมาธิภาวนานั้นถ้าเราตั้งใจรวมใจของเราลงไปในเวลาปัจจุบันนี้ ไม่แสตายให้จิตใจเราลุ่มหลงไปตามอาการอดีตอนาคตแม้เรามาที่นี้ชั่วระยะหนึ่งก็ตามแต่ปัจจุบันธรรมคือธรรมในขณะนี้เวลานี้ถ้าเราทำใจของเราให้สงบระงับเย็นสบายเหมือนป่าเหมือนถ้าเหมือนขูหาเยจใจของเราจะสบายก็ดูเรามานั่งในถ้ำถ้มมันสบาย ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนใจมนุษย์เราใจมนุษย์เรานี่เดี๋ยวก็โกรดเดี๋ยวก็โลกเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็วุ่นวายไปหมดก่อนเห็นหรือป่าไม้เขาเย็นสบายเขาไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนใจิตใจของคนเราให้เราปรับปรุงใจของเราว่าเวลานี้เราได้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ เราได้รับศีลห้าไว้ในใจในตัวเราแล้วศีลห้าข้อนั้นคือว่าเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราเกิดมาในมนุษย์เป็นคนนี้เรารู้จักรักษาศีลห้าหรือว่ามีศีลห้าอยู่ในตัวแล้วชื่อว่ามีความสุขสบายศีลห้าก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนคือว่า เว้นจากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่ฆ่าขู่ฆ่าคนฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยถ้าเราเว้นได้ก็ไม่มีภัยอันตรายมีแต่เป็นมงคลไม่ลักทรัพย์เข้าของบุคคลผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มกินสุราเมรลายล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศล <c oughs> ต่างค่ว่ามนุษย์เราที่เกิดมาในโลกสมัยนี้ทุกๆคนที่เป็นคนใหญ่แล้วรู้จักรักษาศีลห้ามนุษย์เหล่านี้จะมีความสุขความสบายแค่ไหนแลีวว่ามีความสุขอย่างเยี่ยมยอดก็ว่าได้คนเราที่เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในสมัยนี้ก็เพราะว่าขาดหลักศีล <c oughs> ไม่มีศีลห้าประการอยู่ในใจอยู่ในตัว จึงได้พากันเดือดร้อนวุ่นวายอันธรรมคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้านั่นก็มีไวสำหรับให้เราทุกคนน้อมจิตน้อมใจของเราเข้ามาสู่ความสงบระงับคือทำใจของเราให้เย็นสบายนึกพุดโถรวมใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแมอใจเราจะมีความโกรธให้คนโน่นคนนี้ เมื่อเรามาสู่สถานที่ภาวนาพุทธโธหรือว่าถ้ำกูหาฟังเทศฟังธรรมให้จิตใจเรานั้นไม่ให้โกรธให้ไข่ทำใจของเราให้มีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีการอิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกันเรียกว่ามีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ในจิตใจของเราทุกคนชื่อว่าเป็นผู้ภาวนาพระพุทธเจ้านั้นมีความมุ่งหวังให้เราทุกคนประพฤติปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าจะพาตนให้พ้นจากทุกข์ภายในวัฏฏสงสารได้ก็ด้วยอำนาจบุญกุศลบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ก็คือว่าภาวนามัยบุญสาเร็จ ด้วยการภาวนาโดยเฉพาะในคืนหนึ่งงก่อนที่เราจะหลับจะนอนไม่ว่าอยู่ที่นี่ที่ไหนก็ตามให้เรารู้จักการกราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์พอสมควรแล้วก็ให้หัดนั่งสมาธิภาวนาที่ว่าให้นั่งขัดสมาเอาขาขวาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายนี่ให้ใจิตใจรวมใจลวงไปในใจพุทโทให้จิตใจสงบระงับเย็นสบายเสียก่อนความโกรธความโลภความหลงไ ด, ได้ทั้งหมดให้ละวางออกไปให้ใจมีความสุขให้ความสุขจิตสุขใจเกิดขึ้น ไม่ให้ใจร้อนอยู่ด้วยกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้ใจเย็นเหมือนเหมือนน้าแข็งที่เราทานน้าแข็งแล้วมันเย็นสบายถ้าใจของเรามีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจใจเราก็เย็นสบายคนอื่นสัตว์อื่นก็เย็นสบายนั่นแหละพุทธโธถ้าผูดด้ใดภาวนาเข้าถึงพุทธโธ ภ า, ายในจิตใจของตนนั่นแหละจะเห็นความสุขจิตสุขใจสบายอกสบายใจคนเราถ้าใจสบายแล้วอะไรอะไรก็สบายหมดเพราะว่าในตัวคนเราทุกคนนี้ในทางพุทธศาสนาท่านว่าจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจท้งนั้นถ้าใจจะทำอะไร ใจจะภาวนามันก็ได้เพราะว่าชีวิตของเรายังมีอยู่คนเราถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่จะภาวนาเมื่อใดวันไหนเวลาใดได้ทั้งนั้น <c oughs> แต่ต้องตั้งใจจึงจะทำได้เพราะว่ากิเลสในใจมนุษย์คนเรานั้นท่านว่ากิเลสมารหรือว่าใจบาปใจอกุศลท่านว่ามารพระยามาร คำว่ามานี้มันไม่ค่อยจะให้ทําถ้าเรายังเด็กอยู่ก็ว่าเรายังเด็กอยู่ยังไม่ภาวนาปล่อยให้วันเวลาไวัต่างๆผ่านไปถ้าเราแก่เกินไปก็ว่าเราแก่ชราแล้วนั่งภาวนาไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็ไม่ไม่ภาวนาเห็นว่าการภาวนาเป็นความลาบากแต่แท้ที่จริงแล้ว ถ้าเราต <c oughs> ั้งใจภาวนาจริงๆการภาวนานั้นเป็นการหลังงับความทุกความเดือดร้อนทางจิตทางใจทั้งกายวาจาจิตทั้งหมดนี่แหละถ้าใจของเรามั่นคงอยู่ในคุณประพท ธ, ธิจักเรียกว่าพุท ธ, ธพุธโทโธใจเย็นใจสบายอยู่ภายในแล้วอันนี้เป็นความสุขเป็นความสบายอย่างแท้จริง และเป็นของมีอยู่ภายในตัวภายในใจของเราด้วยการภาวนานี้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเรารู้สึกสำนึกได้เมื่อใดเวลาใดก็รีบนึกรีบจเจริญขึ้นมาคำว่าพุทโธรหรือว่าอุบายอื่นใดที่จะทำให้ใจของเราสงบระงับ ก็ให้เราเรานึกและเจริญสิ่งนั้นให้จิตใจมาอยู่ในเนื้อในตัวในกายวาจาจิตของเรานี่แหละถ้าใจเรามาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจได้อันนี้ทันวะเป็นความสุขภายในเป็นบุญเป็นกุศลไปไหนมาไหนก็มีความสุขจิตสุขใจแม้ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเป็นธรรมดาของรู ป, ปรขันธ์ แต่ว่าใจของเรามีธรรมะอยู่ในใจมีการมุ่งมั่นปั้นใจของเราให้มีความสงบระงับโยในตัวแล้วก็ย่อมมีความสุขความเย็นความสบายการปฏิบัติบูชาภาวนาในใจนี้เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้หรือว่าชีวิตของเราถึงขราวจะแตกดับทาลายตายไปนั่น การนั่งสมาธิภาวนาจนจิตใจสงบประงับตั้งมันนะ่นนี่แหละเป็นที่พึ่งพาอาศัยในภพหน้าภพต่อไปด้วยถ้าว่าเราเล่งภาวนาจริงๆไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมาทับถมจิตใจของเรายังจิตใจของเราให้สงบระงับ เยือกเย็นสบายจนถึงขั้นละกีเลศความโกรธออกไปหมดละกีเลศความโลภความอยากได้ในใจออกไปได้หมดละกีเลศความหลงในใจเราออกไปหมดจิตใจของเราก็จะแจ้งสว่างสวยัยชีวิตแตกดับก็จะดับผันเข้าสูน่นรูปาน ตามพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเข้าสู่นรูปานอันเป็นสาานที่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่ในโลกในวัฏฏสงสารไปถ้าเรารีบแร่งภาวนาดีด้วยอำนาจบุญกุศลเก่าที่เราได้บำเพ็ญมาในอดีตชาตินั้ น, นึอง และปัจจุบันชาตินี้เราก็ไม่ประมาทมัวเมาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดสถานใดก็ตามสถานที่ภายนอกนั้นเป็นส่วนหนึ่งสถานที่ปฏิบัติบูชาจริงๆนั้นก็คือว่ากายวาจาใจตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละ ขาสองแขนสองสีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวที่เราฟังธรรมได้ยินเสียงนึกพุโทโธเราได้ยินเสียงพุโทโธในใจนั่นแหละคือวดวงจิตดวงใจของเรามีอยู่ในตัวนี้ไม่ได้มีอยู่ในอดีตอนาคตจิตใจนั้นมีอยู่ในตัวในใจของเราทุกเวลาแต่ว่าจิตใจนี้ ไม่เหมือนรูปร่างสีสันฐานของคนเหล่ารูปร่างนี่เป็นเพศหญิงเป็นเพศชายเป็นกฤหัตนักบวชอันนี้เป็นเพียงเพะส่วนจิตใจนั้นมีจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจผู้ใดมารักษาจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นภาวนาอยู่ในใจของตนได้ทุกเวลา เนและความสุขความเยือกเย็นสบายก็จะปรากฏการขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองถ้าไม่ปฏิบัติไม่ภาวนามีแต่ความอยากได้แต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ทำถ้าเราทำคือว่าทุกคืนก่อนที่จะหลับจะนอนก็กราบพระไหว้พระขนนั่งบริกรรมภาวนา หายใจเราสงบระ ง, งับเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนชั่วชีวิตของเราที่เกิดมาในโลกมนุษย์หลายสิบปีเราก็จะได้สติสมาธิปัญญาได้วิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเก็บไว้ในหัวใจจิตใจของเราก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางพุทธศาสนา ฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทางหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจด จ, จำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญที่วังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีติคายุโกภวะาภิวาธนาสิรตเนจังมุธาปจายโนจัตารโธรมาวัทันติอายุวันโนสุขังคาลัง